อนาปติวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ35 1. ภิกษุูมุ่งอัด 2. ภพิกูุมุ่งทรรา 3. พิกูุมุ่งพร่ำสอน 4. ภพิกษุวิกลจริต 5. ภพิกูุมีจิตฟงสัน้น 6. ภพิกษุผู้กระสับกระสายเพราะเวทนา 7. ภพิกูตต้นบัญญัตอมสวาทศสิกขาบทที่2จบ